ก่อนจะเริ่มา่อนอยาเดียทุกคนนี่เดี๋ยวหลวงพ่อต้องออพูดทำความเข้าใจอีกนะว่าวางทีถ้าเราไม่พูดเสลยมันก็ก็ไม่ได้เพราะว่าแหล่งของการรับรู้ข้อมูลธรรมะเนี่ยมันก็มีหลายทางนะนีเ่เราเป็นผู้ฟังนี่เราฟังใครก็ได้แล้วก็เก็บส่วนที่ดีส่วนทีเ่เห็นว่ามันเข้าใจนะแล้วก็เอามาเป็นเป็นตัวปฏิบัติ หลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้แหละฟังครูบอาจารย์หลายๆรูปเนาะแต่ตรงไหนที่มันโดนใจก็จะรับรับมาปฏิบัตินะแต่วนไหนที่เราฟังไม่เข้าใจนั้นก็ก็วางไว้ก่อนนะอย่างนี้มันทำให้ทาให้เหมือนกับว่ามันมันทำให้เกิดปัญญาจากการฟังอนะ่ะแล้วก็เอามาใช้ปฏิบัติได้เลยนะแล้วก็หลวงพ่อพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์นะก็ต้อง ฟังคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วหลวงพ่อทุกวันนี้หลวงพ่อก็ยังฟังคนอื่นหลวงพ่อก็พูดไปแต่เขาฟังคนอื่นไปอสะสมปัญญาเข้าเรื่องเนาะพูดครั้งไหนก็ต้องพูดถึงเรื่องความรู้ตัวการรู้ตัวนี่แหละมันจะขณะที่รู้ตัวมันจะแผดเผากิเลสมันจะตัดพบตัดชาติเพราะว่าขณะจิตเดียวในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยมันมันตัดพบตัดชาติตัดความปุงแต่งไปหมดละตัดกิเลสตัณหาตัดทุกอย่างหมดเลยขณะที่รู้สึกตัว เพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้เองเราไม่รู้หรอกว่ามันตักอะไรไปบ้างเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่ปฏิบัติเนี่ยนะเหมือนกับเกิดความรู้สึกตัวเนี่ยมันให้ผลไปแล้วแต่บางทีมองไม่ออกว่ามันให้ผลอะไรบ้างเช่นถ้าสมมติถ้าจะเทียบกันนะก่อนที่จะมาขุดรู้สึกตัวเนี่ยใจเนาะมันก็ร่องลอยไปคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วมันก็นําความทุกข์หรือว่านําความสุขมาให้แต่พอรู้สึกตัวขณะที่อยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ย มันไม่รู้หรอกว่ามันตัดความคิดมันตัดความเออ่มันตัดอะไรนะตัดการโคจรของจิตอะนะที่โคจรไปนน่นไปนี่มันตัดไปแล้วแต่ไม่รู้ไงเพราะว่ามันจะรู้ได้ไงในเมื่อมันรู้ตัวอยู่แต่มันมันตัดไปโดยที่ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันตัดแต่มันตัดไปแล้วอ่ะมันมันเป็นเรื่องที่ที่แปลกมากหลงพ่อยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นนะสมมติว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าถ้าสมมติว่าเรายังไม่รู้สึกตัวเนาะ มันอาจจะคิดอะไรก็ไม่รู้อาจจะใจลอยไปแล้วก็ได้แต่พอรู้สึกตัวอ่ามันกลับมารู้ขณะที่กลับมารู้หรอกมันไม่รู้หรอกว่ามันอ่ะมันหายใจลอยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมันจิตเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันทำหน้าที่ได้ได้ทีละอย่างเนาะถ้าสมมติว่าขณะที่มันใจลอยมันก็ไม่รู้ตัวแต่พอมันรู้ตัวมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันอ่ะไม่ใจลอยแล้ว เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเห็นตรงนี้เขาเห็นว่าโอ้คุณอ น, นันต์นนะคุณประโยชน์จากการรู้สึกตัวแต่ละขณะเนี่ยมันมีค่ามหาศาลนะมีค่ายิ่งใหญ่มากแต่มันรู้ได้ยากหรือบางอย่างที่เห็นได้ชัดนะเนี่ยบางทีถ้าเราเล่าประสบการณ์เนี่ยมันจะชัดกว่าเพราะว่ามันรู้เองเห็นเองแล้วก็จํามาเนาะก็เล่าบอกอย่างสมัยก่อนเนี่ยช อ, อบอะไรนะถ้าเป็นชีวิตก็คือชอบ ชอบซื้อของเออชื่อสองซื้อของที่เราชอบเนาะอย่างวันีพวกเครื่องเสียงเครื่องเล่นซีดีพวกเนี้ยแล้วก็ชอบฟังเพลงลุกทุ่งแล้วก็พอเป็นอย่างนี้แต่ก็เหมือนกับอยากจะได้มาเรื่อยๆเนาะอัลบั้มมันไหนออกมาใหม่ก็ไปซื้อมาฟังเอ่อหรือว่าคาราโอเกะอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนาะมันมีมีมชุดคาราเกะร้องเพลงมันก็อยากได้มาแล้วก็มาร้องเพลงแต่พอเราฝึกสติเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอสิ่งพวกนั้นเนี่ยไม่รู้มันหายไปตอนไหน มันหายไปแบบแบบแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วมารู้อีกทีนึ่งเออทำไมนิสัยมันเปลี่ยนไปตรงนี้ก็เลยเห็นผลว่าการที่มาทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันให้ผลแบบชนิดที่บางทีเราไม่รู้เลยว่ามันให้ผลมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อช่วงใดช่วงหนึ่งที่มันระลึกได้ขึ้นมาว่าโอ้นิสัยอย่างนั้นมันมันหายไปแล้วหรือว่ามันเบาบางไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นชัดว่าโอ้นี่อานิสงส์ของความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็เล่าเป็นเกดเล็กเกดน้อยซึ่งหลายหลายคนอาจจะประสบคล้ายๆกันผู้ที่ถ้าถ้า เ, เริ่มปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะจริงๆครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนสอนหมดแล้วแหละ ว, ว่าการฝึกรู้สึกตัวเนี่ยในอธิยาบทไหนบ้างนะท่านก็จะบอกหมดซึ่งดูแล้วเนี่ยคล้ายๆ ทุกทุกสายสายงานหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะบอกเหมือนกันหมดเนาะตั้งแต่เดินยืนนั่งนอนกู้ยเยอะเคลื่อนไหวนะก้มเงยหันซ้ายแล้วขวาถอยหน้าถอยหลังดื่มกินเคี้ยวนิ่งหยุดชิมลิ้มรสถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะนี่คือบอกหมดเลยว่าเนี่ยสิ่งพวกนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยฝึกรู้ได้ทีนี้ถ้าถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็คือต้องต้องไปทำาแหละ ไ, ไปทาไปฝึก คือถ้าไม่ฝึกเนี่ยเหมือนกับ ว, ว่ามันไม่ได้สร้างเหตุเนะาะพอไม่ได้สร้างเหตุมันก็กลายเป็นนิสัยที่ที่ลืมลืมกายลืมใจลืมตัวก็ต้องฝึกกับสิ่งเหล่าเนี้ยโดยใส่เจตนาในการฝึกนิดนึงหลวงพ่อเชื่อว่ายังไงก็จากคนที่ไม่เคยฝึกนะมันก็ต้องฝึกแบบนี้อยู่ๆจะมันก็ไม่ตายตัวอย่าี้แล้วแต่คนเนาะถ้าคนไหนเขามันก็พูดยากแต่ว่าเอาหลวงพ่อที่ได้อ่าผ่านมาก็คื อ, ค, อคือฝึก ตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำนะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการกินการเคี้ยวเนี่ยตรงนี้มันมันฝึกได้แบบง่ายมากเพราะว่าปกติเรากินเราเคี้ยวอยู่แล้วเนาะแล้วก็เราอยู่กับความรู้สึกที่ปากขยับหรือการเกินเนี่ยใจมันก็อยู่กับตัวสบายสบายเคี้ยวไปด้วยแล้วก็รู้มันขยับอะเพราะมันจริงๆอะถึงเราไม่ฝึกสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วไงก็เลยมาใส่ใจนิดหนึ่งว่าตอนนี้กาลังทาแบบนี้อยู่ แล้วก็กินไปมันก็มีความสุขเป็นในตัวนะแล้วได้พักผ่อนด้วยเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันไม่ไปไปยุ่งไปทํางานไปคิดเรื่องงานไปไปทําอะไรนะก็อยู่กับการเคี้ยวกันกินเขี้ยวไปกินไ ป, นไปเขี้ยวไปมือก็ขยับเวลาตักอาหารเนี่ยหลวงพ่อชอบมากนะเนเล่าเป็นประสบการณ์คือมือเวลาเราเราตักแกงก็ดีตักข้าวก็ดีเนี่ยมันมีการขยับอ่ะก่อนเข้าปากเขาเรียกอะไรหละ่ะคือภาษา สมมต ch oh ิเราเรียกอะไรแบบขยับขยับช้อนเช่นเหมือนว่าจัดให้น้ำแกงให้มันพอดีหรือข้าวมันพอดีแล้วก็ขย่าวขยับขยับอย่างเงี้ยโอ้โหมันแบบมันเคลื่อนไหวรู้สึกอ่ะนะมันแบบอืนดนใจมากเลยแถวเนี้ยเราเราคึดเอกไว้เวลาเราตักข้าวหรือตักแกงน่ะมันจะจะเอามือขยับไปช้อนขยับเนี้ยไหวๆนะนะนะกัดเคื่อนเข้ามาเข้าปากแล้ก็เขี้ยวกินกึกกคึกๆึกคกคกคเงี้ยคึกไปคึไป นี่มันเป็นเป็นพื้นฐานซึ่งถ้าเราฝึกเป็นประจําเดี๋ยวมันก็จะเป็นนิสัยที่จะจะรู้ตัวแบบเนี้แล้วก็การตื่นนอนก่อนเข้านอนก็ฝึกอยู่แล้วฝึกจนหลับแล้วก็พอรู้สึกตัวในระหว่างหลับเนี่ยถ้าเราฝึกต่อเ น, นื่องเนี่ยมันจะรู้เลยว่าตอนเนี้ยตื่นแล้วก็มันก็จะเห็นร่างกายนอนในท่านยังไงขยับยังไงก็จะเห็นแล้วก็หลับไปแล้วพอตื่นนอนมามันก็รู้อีกว่าก่อนที่จะลุกเนี่ยมันจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ย นอนในท่าไหนยังไงแล้วก็เมื่อรู้เสร็จพอเดินเข้าห้องน้ําแปรงฟันอะไรเนี่ยก็ก็รู้สึกตัวต่อนเนื่องต่อนเนื่องเนี่ยนี่มันเป็นฐานสําคัญมากนะตัวเนี้ยเพราะว่าการที่จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากเอ่อการฝึกที่ต่อนเนื่องต่อนเนื่องต่อนเนื่องนะยิ่งยาวนานอ่ะนาว น, น, น, นานหลายปียอมดูสิมันนานหลายปีเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะสม มาเท่าไหร่แล้ว่ะให้ความรู้สึกตัวเมื่อนั้นที่หลวงพ่อพูดบางทีเหมือนกับว่ามันก็มันก็บางทีถ้าคนไม่เคยฝึกเลยอ่ะมันก็อาจจะยากเหมือนกันที่จะจะฟังเข้าใจเนาะเพราะว่าตัวสติตัวปัญญามันยังไม่ไม่เพียงพอที่จะอ่ารองรับความเข้าใจได้ทั้งหมดแต่บางครั้งบางคาที่หลวงพ่อแนะนําเนี่ยคือแนะนําเช่นบอกว่าให้รู้ตัวเรานะรู้แบบนี้นะไอ้ตรงเนี้ยเป็นการชี้บอกว่า ถ้ารู้ถูกตัวรู้ถูกต้องเนี่ยมันต้องรู้รู้ตัวเราแล้วก็รู้แบบเนี้ยรู้โดยที่อ่าสามารถที่จะเข้าใจว่ามันมีอีกรู้หนึ่งที่มารู้ตัวเราไอ้ตรงเนี้ยมันมามันมาทีหลังหมายถึงว่าหลวงพ่อเพิ่มมันจะมารู้จักตอนหลังแต่ตอนเริ่มใหม่ๆมันมันไม่รู้จักอไอ้สิ่งที่มารู้ตัวเราเลยมันมีแต่ว่าเราอะเราฝึกเรารู้คือมันเป็นอัตตาตัวตนเป็นผู้ฝึกเนาะแล้วก็มีตัวเราเป็นผู้รู้ แต่พอมาเข้าใจเรื่องอ๋อมีมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเราจึงเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยว่าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการรู้เราที่ถูกต้องแล้วก็จะเห็นความแตกต่างก็คือว่า ม, มันเบาดีมันเบาแล้วก็จะเห็นถึงความชัดเจนว่าเนี่ยการทุกข์ก็คือต้องรู้เราแบบนี้นี่มี ค, ความชัดเจนในช่วงหลังๆที่ได้ฝึกมาหลายปีมันมีโยมก็เกิดก็ ได้รับอ่า ะ, ะไรนะการสอบถามจากโยมอยู่เป็นประจำเช่นโยมอาจจะเล่าอะไรบางอย่างแล้วก็ถามว่าการปฏิบัติแบบนี้มันถูกไหมการปฏิบัติแบบนี้มันถูกไหมตรงนี้อ่เดี๋ยวหลวงก่อจะชี้ให้เห็นว่าการที่ถามว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ่อเดี๋ยวมันเหมือนกับว่ามีตัวเราแล้วก็ สงสัยว่าปฏิบัติอย่างที่ที่พบมาที่เห็นมาเนี่ยมันถูกไหมก็เกิดความลังเลสงสัยเนาะจึงเข้ามาถามแต่จริงๆริอ่ะไอไอาการที่จะไปตอบว่าไอาการกระทาแบบนั้นมันถูกหรือไม่หรือมันผิดหรือไม่เนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันประเด็นว่ารู้ตัวเราไหมว่าตัวเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วทีนี้ถ้ารู้ตัวเราในปัจจุบันนั้นๆเนี่ยว่าอ๋อเรามีความสงสัย เท่ากับว่ามีสติรู้เราแล้วส่วนการทำถูกทำผิดเนี่ยตรงนั้นล้วตัดไปเลยไม่เป็นประเด็นมันเป็นประเด็นตรงที่ว่ารู้ตัวเองไหมว่าตัวเองกำลังสงสัยอยู่ตรงนี้ต่างหากถ้าเมื่อรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองเนี่ยกำลังสงสัยอยู่แล้วก็อ๋อรู้แล้วก็คือมีสติแล้วแล้วก็วางวางก็คือว่าพบตัวผู้สงสัยแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวผู้สงสัยเนี่ย มันเป็นสังขาร น, นะมันไม่ใช่ตัวตนหรอกมันเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็วางมันแท้นี่เท่ากับว่ารู้แล้ววางด้วยนะรู้แล้ววางวางใครละ่ะก็วางตัวเราผู้สงสัยคือไม่ไม่ยึดถือให้เป็นตัวตนเนี่ยอันนี้ก็เป็นขณะดจิตหนึ่งที่ที่สามารถรู้ละแล้วก็วางตัวตนได้ในขณะที่รู้ตัวตัวเองแบบนี้หรือบางที คำถามเอื่นเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันบางทีถามว่าตัวเราต้องทำยังไงต่อไปเรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อไปมันไม่มีหรอกเราต้องทำอะไรต่อไปอ่ะมันมีอย่างเดียวก็คือรู้ตัวเราไหมว่าเราเนี่ยกำลังถามอยู่ว่าจะทำยังไงต่อไปเมื่อรู้ตัวเราอย่างนี้แล้วก็วางเชอวางไอ้ตัวที่ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อไปวางตรงนี้เลยเนี่ย มันหนทางที่ถูกคือมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเราต้องไปทําอะไรจริงๆเพราะตอนนี้ยเรากําลังรู้สึกตัวในปัจจุบันนะรู้แล้วก็คือเห็นว่าตัวเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ว่าบางทีเนี้ยเออด้วยความที่พอหลวงพ่อพูดแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะเอ้ยฉันก็ฉันก็รู้สึกตัวไม่ใช่ฉันไม่รู้ึกแต่ว่าในขณะการที่เราปฏิบัติเนี่ยค่ะเราก็ควรจะต้องเหมือนกับว่า ต้องทํายังไงถึงเราถึงอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบอะไรอย่างนี้นะคะก็ใชก็ค่ะเนี่ยเนี่ยปัญหาพวกนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยที่ถามมาเพราะอะไรจะจะได้แจกแจงเนาะเพราะอาะสมมติว่าหลวงพ่ออธิบายไปแล้วแล้วก็มีคําถามอีกเนาะวะ่าอะไรนะโยมใช้คำว่าอะไรนะเมื่อกี้ทวนอีกทีนึงแล้ว อ, อ๋อเหมือนเหมือบว่าเนี่ยเข้าใจที่หลวงพ่อเอ่อ อธิบายแต่ว่าก็เนี่ยก็กลับมารู้อยู่แล้วแล้วจะต้องไปทําไงต่อไปเพื่อให้ได้แบบพัฒนาขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะก็ไอตรงประโยคบอกว่าเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อบอกอ่ะหนูเข้าใจแล้วเนี่ยก็ให้รู้ตัวหนูผู้เข้าใจน่แหละแค่เนี้ยแล้วก็ปล่อยมันพอรู้ว่าหนูพอพูดว่าหนูเข้าใจแล้วอาจารย์ที่อาจารย์บอกอ่ะแล้วต่อไปหนูจะทํายังไงอีก หลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ามันจะต้องทําอะไรหรอกเพียงแต่ว่ารู้ตัวหนูผู้เข้าใจอ่ะแล้วก็รู้ว่าไอ้ตัวหนูผู้เข้าใจเนี่ยมันเป็นสังขารเห็นไหมชี้ตรงแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็คุยอีกเนาะถามอีกและหลวงพ่อก็พยายามตอบตรงนี้แหละเออพอถามมาหลวงพ่อก็บอกให้รู้ตรงเนี้ยตรงคนที่ถามเอาเจนแบบอยู่หมัดเลยอ่ะเนาะอืมแบบชนิดที่แบบไปไม่เป็นแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่ทีนี้ว่าถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ค่อยค่อยคุยกัน เพราะว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ทุ่งทึงที่ว่ารู้ตัวเราในปัจจุบันเรากําลังพูดเรากําลังคิดเรากําลังทําอะไรล่ะเนี่ยหลวงพ่อเขาชี้ให้แล้วกําลังพูดก็รู้ดิเราผู้พู ด, ดแล้วก็รู้ว่าตัวเราผู้พูดเนี่ยก็คือสังขารปรุงแตง่งอ่าเห็นไหมเนี่ยคือทําลายอัตตาแล้วนะเ น, นี่ยตัวเราผู้ถามผู้สงสัยอ่าถ้าเห็นแล้วก็อ๋เอเห็นว่าไอ้ตัวผู้ถามเนี่ยตัวเราที่เป็นผู้ถามมันก็เป็นสังขารปรุงแตง่งเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการละความเห็นผิดในขณะปัจจุบันเรื่อยไป ส่วนที่ไอ้ที่นึกเอาเองว่าลึกๆๆต้องทับตรงโน้นให้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันอย่างนี้คือรู้กลับมาที่ตัวในปัจจุบันวิธีเช็คโยมว่าตอนนี้โยมเนี่ยมีปัญญาที่จะเข้าใจในเรื่องที่กําลังบอกเช็ค 1, 2, หนึ 3, ห่งหนสองหนสามหนถ้าปรากฏว่าพอเช็คแล้ววิธีแบบนี้ยโยมไม่เข้าใจหลวงพ่อก็ต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วต้องยกตัวอย่างใหม่ต้องอะไรใหม่หรืออาจจะตอบคาถามเพรานั้นที่หลวงพ่อเอาตรงเนี้ยกล้องคือเราไม่รู้เนี่ว่า แต่ละคนเนาะมาถึงขั้นไหนเนาะทีนี้ลองมาใช้ขั้นนี้ดูโอเคถ้าเข้าใจก็ถือว่าเข้าใจแล้วก็ต่อยอดเข้าสูงเข้าไปอีกแต่ถ้าไม่เข้าใจทดสอบสามครั้งสี่ครั้งก็แล้วแต่นะต้องต้องดูดูความอ่าดูพฤติกรรมการตอบคนถามหรืออะไรใดเออพอจับได้ว่าตรงนี้ไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องถอยถอยถอยถอยถอยค่ะต้องเช็คก่อนใช้วิธีนี้ค่ะค่ะครับก็ก็ฟังที่หลวงพ่อสนทนากับ คุณหนยๆนะก็เห็นภาพก็เข้าใจนะครับก็รู้สึกว่าอืมตัวเรารู้ทันหรือเปล่าที่เราสงสัยเนี่ยถามเนาะอันนี้ผมก็เก็บนะครับอืมถูกค่ะก็จริงๆผมก็มือใหม่เนาะเพิ่งเริ่มต้นก็ช่วงหลังๆก็เข้ามามาบ่อยมาห้องนี้บ่อยนะก็เลยก็เลยจัดเราเราตัวเองเราสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติในชีวิตประจําวันให้ฟังแล้วกันนะครับ ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเรื่องทฤษฎีอะไรสักเท่าไหร่นะ <S <S ผมก็ผมรู้สึกว่าถ้าผมปฏิบัติแล้วผมรู้สึกเออไม่ใช่มันตรงจริตกับเราเราเนาะ เ, เราก็เราก็ทําต่อไปอย่างหลวงพ่อเทียรหรือพ่อคำเขียนท่านก็บอกว่าให้ฝึกรู้ตัวทุกขณะอตอนแรกผมก็ผมก็ไปดูนั่งสิบสี่สเต็ปเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยในชีวิตปัจจุบันเราไม่น่าสิบสี่สเต็ปได้ท่นานก็ฟังกไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆจนทุกการเคลื่อนเคลื่อนไหวของเรา ให้มันฝึกรู้ตัวอยู่เสมออทุกวันนี้ผมก็ตั้งแต่ตื่นนอนเลยผมว่ายังไม่ลุกทันทีผมก็จะรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรลองรู้สึกตัวปวดเจ็บป่วยปวดหลังอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ให้เวลากับมันสักนิดหนึ่งส่วนระหว่างทํากิจวัตรประจําวันอย่างเช่นแปลงฟันส่วนส่วนใหญ่ช่วงแปลงฟันเนี่ยอ่าน้ําแปลงฟันเนี่ยมันชอบมันชอบฟงครับแต่ว่าก็พยายามรู้ตัวแล้วนะครับก็ไม่รู้เป็นไร จังหวะที่เราอําน้ำแปรงฟันเนี่ยมันมันจะหลุดบ่อยมากแต่ก็ก็เขารู้ตัวดีขึ้นครับทีอืระหว่างระหว่างเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยคส่วนใหญ่ก็จะรู้ตัวรู้ตัวนะครับแต่แต่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่เอ่อเขาเรียกอะไรมันเป็นแค่ตัวสังขารเรารู้อยู่เฉยๆมันยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเราไม่รู้ตัวรู้ที่แบบว่าเราไม่สามารถพูดได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยยังยังมาไม่บ่อยนานๆมาทีครับ เดี๋ยวเราทําทําอย่างเงี้บยบ่อยๆค่ะจนสติมันเต็มรอบนะคะแล้วก็ลองเนี่ยค่ะเรามาคุยกับหลวงพ่อดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นเนียค่ะว่าเอ๊ะขณะที่เราทําเนี่ยไม่ทราบว่าคุณธมีศักดิ์อันนี้คือเออ่เจริญสติต่างงี้ยเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะนานหรือยังคะไม่นานะครับเมื่อสักสี่ห้าเดือนนี่เองครับแต่ว่ามันเพิ่งจะมาแบบจริงๆริงยืนจั ง, จ ง, จ ง, จงก็ สามเดือนเนี่ยครับจริงค่ะหลวงพอ่อค่ะเยินเชิญค่ะอืโยมทวีศักก์ก็เพิ่งเข้ามาจริงๆแต่ก็ได้ได้คุยเป็นระยะอนะแล้วก็โยมก็รู้สึกว่าจะอาจจะก็เรียกาอาจจะศรัทธาเนาะศรัทธาระดับหนึ่งแล้วแหละแล้วก็วววติดตามฟังเนาะติดตามฟังในคําคําแนะนําคําบอกต่างๆออืแล้วก็จะมีการพัฒนาแล้วก็สิ่งที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยดี ที่บอกว่าต้องเช็ค ก, ก่อนว่าเออเราพูดแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเนาะก็อย่างน้อยโยมทวิศักดิ์ก็เป็นคนพูดเองว่าเออฟังแล้วเนี่ยมันมันเข้าใจได้นะคือฟัองแล้วเข้าใจเนาะส่วนส่วนเวลาเจอจริงๆบางทีเวลาถูกต้อนตัวอะไรมันก็งงเป็นธรรมดาแต่ว่าเมื่อการฟังแบบฟังเป็นผู้ฟังอย่างเดียวเนี่ยก็จะเห็นอัพคือจะเข้าใจได้นั่นแสดงว่าอันนี้มีปัญญาที่จะอ่าก็เรียกว่ารับการถ่ายทอดจากคนหนึ่งมาสู่อีกคนหนึ่งได้ แต่ทีนี้คนอื่นเขาอาจจะยังงงก็ก็ไม่เป็นไรนะ ก, ก็ก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะค่อยๆเข้าใจนะเพราะมันเห็นภาพนี้สิ่งที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนะจะเห็นภาพได้ทีนี้กรณีที่อการรู้ตัวเราของโยมทวีศักดิ์น่ะผมวงพอเอายกตัวอย่างแบบนี้ก่อนเออก็ต้องปัจจุบันอีกแล้วเนาะว่าตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนอยู่บ้านหรืออยู่ไหนบ้านครับ อ, อ, อยู่บ้านใช่ไหมอ่า อยู่บ้านเนี่ยเอามีคนอื่นไหมนอกจากเราละอยู่คนเดียวครับเร็กเด็กแล้วรงแม่หลงพ่อเชียรไม่มีใครคนคนอื่นไม่มีนะคนอื่นไม่มีไม่มีครับอันเนี้แค่เรียกว่าเรารู้ว่าไม่มีใครแต่ถ้ารู้เราก็คือรู้ว่ามีเราอเห็นไหมมันเหมือนค่ะว่าลองลองลองมองดูนะเวลาเรารู้คนอื่นเนี่ยเหมือนกับว่ามันมองไปนอกตัว แล้วก็ไม่เห็นใครแต่พอรู้เราปั๊บเนี่ยมันกลับมามันไม่รู้อะไรกลับแหละแต่ว่าเหมือนกับว่ามีกลับมาแล้วก็รู้เราว่ามีเราทีเนี้ยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าให้รู้เราเนี่ยก็คือถ้าถ้าสมัคโยมทวีศักด์ควังแบบนี้เข้าใจแล้วเนี่ยที่หลวงพ่อใช้คําว่าให้รู้เราก็เนี่ยให้กลับมารู้แบบเนี้แล้วก็ฝึกมาบ่อยๆโดยที่ว่าไม่ใช่ว่ามาตั้งรู้อยู่นะไม่ใช่ว่ามาตั้งรู้เราให้มันนานไม่ใช่ แค่เพียงนึกได้หรือระลึกได้ บ, บัดเดียวก็แค่นี้ก็รู้เราได้แล้วเพราะว่าการรู้เราเนี่ยคือเหมือนกับรู้นิดเดียวมันเป็นเรื่องของของจิตเนาะแต่ถ้าเราเอาตัวเราไปตั้งรู้ให้นานเนี่ยว่ารู้เรารู้เร า, รเราตั้งแบบนี้อย่างนี้มันผิดธรรมชาติแต่ถ้าธรรมชาติก็คือเพียงแต่ระลึกได้ว่า ม, มีเราอยู่เนี่ยแค่นี้เท่ากับรู้เราแล้วเพราะงั้นพอมองออกให้ความแตกต่างระหว่างเรารู้กับรู้เรา ครับก็พอมืองออกก็ทุกวันนี้ไม่ไก็ไม่ได้แบบว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ทําเล่นๆผมก็ไม่ได้จริงจังนะผมว่าถ้ารู้เมื่อไหร่ผมก็ก็จะรู้แต่ทาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ก็ไม่รู้เออเอออแมาครับทีนี้เดี๋ยวรู้รู้เรากับเรารู้นี่ลองลองอธิบายหลวงพ่อฟังนี่เพื่อเพื่อทดสช็คความเข้าใจที่ที่โยงเข้าใจเนาะอธิบายแบบไหนก็ได้ว่าเข้าใจรู้เรารู้เราก็ เท่าที่ผมสัมผัสได้นะก็เหมือนเราเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เดินนั่งทำงานนั่งทำงานพิมพ์งานกดคอมหรือว่าเล่นนู่นเล่นนี่เล่นโทรศัพท์แต่เรารู้เหมือนเหมือนเรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังสมจิตออกนอกนะคิดปรุงแต่งไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นะแต่ว่าในร่างกายเราทำอย่างเช่นเราเราแปลงฟันอยู่เนี้ยแต่เราก็ไปคิดเรื่องอื่นละ อะไรประมาณนีน้อันนี้คือรู้เราประมาณนี้ครประมาณนี้ครับหลวงพอ่อแน่นอนแตนะมันอาจจะไม่ไม่ค่อยชัดเจนอเอะไรหลวงพ่อยกตัวอย่างใหม่นเนาะโยมโยมอธิบายเรื่องโยมมีรถรถมเอเตอร์ไซค์ไหมมีครับเออโยมอธิบายเรื่องรถมเอเตอร์ไซค์ให้หลวงพ่อฟังดิรถ ท, ที่ที่มีอยู่เนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างทันเนี้ยเป็นยังไงบ้างทันนี้ก็จะเป็นรถ รถแบบมีคัพใช่ไห ม, ม เ, วเวลาใช้งานก็ ก, ก็ต้องมีแบบคำคัสแล้วอยเปลี่ยนเกียร์อื ม, อม<ๆ>ก็เป็นรถของของน้องนน้องที่รู้จักยืมมาใช้มใช้แบบไวเขี่ยออกไปซื้อข้าวหน้าปากซ อ, อยอะไรเงี้ยขี่แบบระแวกใกล้เคียงอ่าโอเคแค่นี้พอนะหลวงพ่อก็จะชี้บอกว่า ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราไปพูดถึงเรื่องรถไปพูดถึงเรื่องรถว่ารถคันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นเรื่องของรถแล้วผู้รู้เรื่องรถคือใครเราใช่ไหมเราครับอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเรารู้เรารู้ทีนี้ถ้ารู้เราอะโยมออลองอธิบายที่ถ้ารู้เรามันเป็นยังไง ร, รู้เรา อ, อาจจะเป็น อถ้าเป็นตอนก็อาจจะเชื่อมโยงจากเรื่องมอเตอร์ไซค์เชื่อมโยงกันได้เชื่อมโยงนะรู้ว่าเรากําลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนอะไ ร, รตัวเราคือรู้ตัวเราเนี่ยมันจะรู้เรื่องคือมันมันจะกลับมาเลยมันจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์เนาะมันรู้เราก็คือเช่นเช่นเช่นรู้ว่าเราเป็นผู้รู้ก็ได้อ่ะแค่นี้ก็รู้เราแล้ว เพราะเมื่อกี right? ้เราเป็นผ sure <Right. S 2> exactly ู้รู้เรื่องรถเนาะใช่เราอธิบายเรื่องรถได้ว่ารถเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเรารู้แต่ถ้ารู้เราคือกลับมาว่ากลับมารู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้พูดเราเป็นผู้อธิบายไม่ก่อนไงเมื่อกี้เรามีการอธิบายเนาะเราเป็นผู้รู้เมื่อรู้เรื่องรถแล้วเนี่ยเราก็จะอธิบายเรื่องรถเนี่ยให้หลวงพ่อฟังเพราะนั้นถ้ารู้เราก็คือรู้ตัวเราที่เป็นผู้ผู้รู้หรือว่า รู้ตัวเราผู้อธิบายหรือรู้ตัวเราพูดเล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่ารู้เราเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันสามารถเรารู้ก็ได้รู้เราก็ได้แต่สิ่งที่เราฝึกคือให้ให้รู้เราให้มากขึ้นจากที่เราเคยรู้มาเนาะให้มันมากขึ้นให้มันมีความชํานาญมากขึ้นทีนี้เมื่อรู้เราแล้วโอเคนะรู้จักแล้วนาะรู้เราเนาะรรตรงเนี้ยหลวงพ่อก็ชี้ชี้ต่อว่าไอเราตัวเนี่ยมันเป็นตัวตาย เป็นตัวที่เน่าเปื่อยผุพังเป็นตัวที่แตกสลายไปคือต่อไปนะส่วว่าต่อไปที่ว่ามันตายหมดก็คือตายเข้าโลงหรือไปเผาเนาะเพราะฉะนั้นคําว่าเราตัวนี้มันเป็นของตายแล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ปัญญาถึงขั้นที่ว่าไม่ยึดด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับว่าแค่รู้จักตัวเราเนาะรู้จักว่าเออรู้เราแล้วแต่ขั้นต่อไปเนี่ยขั้นสุดยอดก็คือต้องรู้แล้วต้อง ไม่ยึดถือด้วยคือทิ้งมันไปคําว่าทิ้งมันไปคือคือไม่มายึดถือให้เป็นตัวเรามันจึงมีแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวผู้รู้เนี่ยแต่ไม่มีใครยึดตรงนี้ไม่รู้พอพอจังเข้าใจได้ไหมเข้าใจครับเข้าใจเ อ, อคนอื่นก็ฟังด้วยนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่รู้เราแล้วก็แค่นั้นนะมันลึกๆเข้าไปอกอถึงขั้นที่ว่ารู้แล้วไม่ยึดไม่เอา ส่วนบางคนอาจจะสงสัยอีกว่าก็รู้แล้วไงแล้ววางยังไงอีกเอออันนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆว่าเป็นเป็นขั้นตอนแต่อย่างน้อยให้รู้เป้าหมายของการปฏิบัติเนี่ยที่เราฝึกสติก็ดีก็คือฝึกให้รู้ตัวเมื่อรู้แล้วเนี่ยเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสังขารเนาะไม่เที่ยงมีความเกิดเสื่อมไปตายไปตายหมดเออทีนี้พอถือกลายเป็นว่ามันก็พ้นทุกข์สิเพราะว่าใครจะมาทุกข์ล่ะเพราะว่ามันวางไปแล้วมันปล่อยไปแล้วนะ เพราะนั้นมันพ้นทุกได้จริงก็คือต่อเมื่อไม่ยึดถืออันนี้เ็าเรียกว่าปล่อยวางเข้าใจสเตนะ็มนะครับก็เหมือนหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าให้เราฝึกแค่ขั้นนี้ก่อนเนาะให้รู้ตัวเรารื่อเใช่อาส่วนส่วนอีกขั้นหนึ่งนี้ก็ค่อยมาพัฒนาทีหลังใช่ไหมครับถ้าถ้าพัฒนาไปพร้อมกันก็ได้ได้ก็ดีปอกาหลวงพอ่พอเนี่ยคือผู้สอนเนี่ยเาบอกให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวเนาะ ทีนี้หลวงพ่อก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับการฟังทำอะไรมักจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการปล่อยวางไงเหมือนว่าให้รู้สึกตัวกลับมารู้กลับมารู้ทีนี้พอกลับมารู้ก็เหมือนกับว่ารู้แล้วไงรู้แล้วไงเออแต่ทีนี้มันไม่เข้าใจในแบบเหมือ น, มนเหมือนกับว่าต่อจิ๊กซอยังไม่ครบใช่ไหมมันก็เลยแบบแล้วยังไงอีกเนี้ยแต่ทีนี้หลวงพ่อก็บอก hey, ให้ให้ให้ครบเลยก็คือว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยเห็นว่าตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยต้องต้องไม่ยึดถือด้วยคือต้องปล่อย ต้องปล่อยวางทีนี้เรื่องปล่อยวางเนี่ยเดี๋ยวเ อ, เอาไปรู้ตัวก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวคนยังงงอีกให้รู้ตัวให้เป็นก่อนเนาะเบื้องต้นเนา ะ, ะรู้แล้วไม่ยึดทีนี้การรู้แล้วไม่ยึดเนี่ยจริงๆอะมายความว่าการถ้ารู้ตัวเราแล้วไม่ยึดเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนกันเลยแต่ทีนี้ถ้าสมมติบางคนบอกว่าอ้าวอย่างนั้นเราไม่ยึดคนอื่นก่อนเราเห็นคนอื่นแล้วเราไม่ยึด อย่างนั้นก็ได้เช่นสมมตาเห็นคนใกล้ชิดเนาะเห็นคนเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อแม่ เ, เห็นแล้วแล้วก็รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นสังขารเกิดแก่เจ็บตายยึดถือไม่ได้นะอัน้นเพื่อความไม่ต้องทุกข์กับพ่อแม่ญาติพี่น้องก็คืออ๋อไม่ยึดแต่ยังหน้าที่ดูแลเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าพอบอกไม่ยึดจริงๆิ้ ง, ง, ง, งวกว้างไม่ใช่นะคือทําหน้าที่ให้ดีเหมือนเดิมแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าไม่เอาไม่ยึดถือเพราะว่ารู้ว่าสุดท้ายก็ต้องตายจากกันเนาะ ถึงยึดไปก็เป็นทุกข์ก็เลยอยู่ด้วยกันด้วยความไม่ยึดอย่างเนี้เขาเรียกว่าไม่ยึดสิ่งที่อยู่นอกตัวมันกออ็ดับทุกข์ได้ระดับหนึ่งแต่มันยังมีตัวเราที่เป็นผู้ไม่ยึดเห็นไหมมีตัวเราเป็นผู้ไม่ยึดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ตัวเราด้วยว่าไอ้ตัวเราผู้ไม่ยึดก็เป็นของตายเหมือนกับญาติพี่น้องนั่นแหละตายเหมือนกันอ่ะทีนี้เมื่อรู้แล้วก็คือก็ไม่ยึดก็คือปล่อยวางเหมือนกับปล่อยวางญาติพี่น้องกันแหละก็คือไม่ยึดถือ เพราะนั้นเมื่อตัวเนี้มันจะตายมันจะเป็นอะไรก็ใจก็ไม่ต้องทุกข์เพราะว่าได้ปล่อยปล่อยวางก่อนตายแล้วไงปล่อยวางก่อนป่วยก่อนเจ็บก่อนตายจริงๆแล้วมันก็เลยไม่ทุกข์เอ่อเพราะนั้นการการที่ถอนรากถอนโคนจริงๆก็คือปล่อยวางที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละปล่อยวางให้หมดทั้งกายทั้งจิตทั้งความคิดทั้งความรู้สึกทั้งความรู้ทุกอย่างปล่อยวางให้หมดอกระใจเป็นแนวทางนะครับสถาธุครับหลวงพ่อ